อันนี้ขอประกาศให้ศรัทธา ญ, ญาติโยมได้รับรู้รับทราบอันนี้เป็นครั้งที่สามถือว่าวันนี้เป็นวันสําคัญเป็นวันทำบุญพี่น้องประชาชนและก็พร้อมกับเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติโกโหติกาผู้ที่ล่วงรับดับขันไปก็สมควรที่จะประกาศให้ศรัทธา ญ, ญ, ญาติโยมได้รับทราบอีกรอบหนึ่ง เพราะว่าวัดของเราเป็นการทําบุญที่ว่าครั้งยิ่งใหญ่วัดครั้งหนึ่งในปีนี้บา ง, งัานแต่ไปไหวเกือบว่าใหญ่สุดในหลายรอบปีนอกจากที่ว่าทองคาช่วยชาติในยุคนั้นเอออันนั้นเราทําบุญใหญ่จริงๆแต่คราวนี้รู้สึกว่าแต่ถึงยังไงก็สําหรับวัดของเราก็รู้สึกว่าเป็นการทําบุญใหญ่พอสมควร เพราะนั้นขอประกาศแจ้งข่าวการกุศลให้พวกเราทุกๆท่านได้อนุโมทนาและก็พร้อมกันก็ได้ให้น้อมจิตล้ำลึกถึงเออน้อมจิตอุทิศส่วนกุศลถึงบรรพชนของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพราะว่าวัดของเราได้ร่วมกันทําบุญเพื่อสร้างตึกสงอาพาธหรือว่าตึกโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเนี่ยหลวงพ่อจะได้อ่านให้พวกเราได้รับทราบ เมื่อวันที่5สิงหานี่เองนะวันนี้ก็เป็นวันที่20แปลว่า20วันที่พวกเราที่หลวงพ่อได้นำจิตปิจจัยไปถวายองค์หลวงตาและก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติพวกเราต่อคณะสงฆ์ของพวกเราหลวงพ่อว่าบุญกุศลที่พวกเราได้หวานพืชลงไปในคราวนี้คิดว่าจบงอกเกยแน่นอนเพราะงั้นเถอะเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เพราะนั้นหลวงพ่อจะ อ่านประกาศให้แก่พวกเราศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าที่ได้ยินได้ฟังนะเพราะว่าจตุปัจจัยนี่ไม่ใช่ของหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่ได้รับจ้างทําการทํางานที่ไหนเป็นปัจจัยของคณะศรัทธาญาติโยมเอามารวมกันคนละมากคนละน้อยหลวงพ่อก็เป็นผู้รวบรวมจากนั้นก็ได้นําปัจจัยนี้ไปทําบุญหลวงพ่อจะอ่านให้ฟังทําบุญอะไรนะ คณะสงฆ์และคณะสัะะสายาติโยมวัดป่านาคำน้อยตำบลบ้านก้องอำเภอนายยงจังหวัดอุดรธานีได้ถวายเงินโอนจ่ายงวดงานที่สแทนองค์หลวงตาตึกสงอาพาธโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีอาคาร96ปีหลวงตามหาบวญชนะสัมปันโนวันที่5สิงหาคม2552ค่าก่อสร้างงวดงานที่สมหัก 15% ไม่รวมแบตและหากค่าภาษีแล้วโอนจ่ายเป็นเช็คเงินสดแคชเชียร์เช็คจ่ายในานามบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวิรอกเมน์มหาชนจำกัดจำกัดมหาชนเนี่ยช่วงนี้ตรงพ่อก็ไม่มั่นใจเหมือนกันน่ะงวดงานค่าก่อสร้างตามรายละเอียดข้างต้นจำนวนรวมจ่ายงวดนี้เอง งวดที่สามนี้รวมจ่ายงวดที่สามนี้เป็นเงิน3 8 2ล้านบาทอวงเล็บตัวหนังสือ3 8 2ล้านแปดแสนน้บาททุนนะก็ขอให้พวกขอให้คณะพวกเราทุกทุกท่านอนุโมทนาทานโดยโดยพร้อมเพียงกันเทิน สาทุอันนี้คือเป็นการทําบุญใหญ่ในวัดของเราเงินตั้งสมล้านกว่าถ้าจะให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งทำนะี่ก็คงจะไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่นี้เป็นปัจจัยส่วนร่วมที่หลวงพ่อได้รวบรวมแล้วก็ถวายเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่5้าเป็นงวดงานที่สามฮะหลวงพ่อจ่ายเป็นงวดงานที่สมก็คง ถ้ามันมีมาอีกก็ไม่ว่ากันถ้าไม่มีก็คงเพียงพอสำหรับวัดของพวกเราลหนักแล้วงั้นเถอขอให้พวกเราเมื่อได้รับทราบและกออนุโมธนาและกุศิส่วนกุศลถึงบรรพชนหรือดวงวิญญาณของพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราทุกๆท่านด้วยนะวันนี้เป็นวันสำคัญที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่าเป็นวันข้าวประดับดินเป็นวันที่คนโบ ร, โบราณ ปู่ย่าตายายของพวกเราถือกันมาและก็เป็นถ้าจะเปรียบเทียบกับคนชนชาติอื่นอย่างจีนอย่างนี้เขาก็คงจะเป็นวันไหวบันพระปุาดเดือหรือวันวันไห ว, วพระจันทร์ลักษณะอย่างนั้นแหละแต่นี้พวกเราเป็นวันทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลต่อบรรพชนของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพราะพวกเรานับถือพระพุทธศาสนา นี่ที่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้แนะนำสั่งสอนพวกเราท่านก็บอกว่ามนุษย์ของเราเกิดมาตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแล้วก็เมื่อเกิดไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นมาตามธรรมดาต้องมีกลัมคือการกระทาเป็นผู้ผลักดันให้ไปเกิดในภพภูมินั้นเพราะว่าพระพุทธองค์ได้ไปศึกษาค้นคว้า ที่พระพุทธองค์ได้ออกไปบวชไปอยู่ในป่ารงพงไพ่ถึงหกปีอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวพระพุทธเจ้าของเราได้ไปค้นคว้าศึกษาเรื่องจิตวิญญาณอย่างละเอียดที่ท่วนแล้วรู้แจ้งเห็นจริงแล้วได้ตัดสรูธรรมในวันเดือนหกเพนนั่นน่ะปุเพนิวาสานุสติญาณอันนี้ก็คือบอกได้เลยว่าตายแล้วไม่สูญ แต่ถ้าว่าพวกเราทุกๆ ท, ท่านถ้าเกิดมาแล้วการจะสร้างบุญสร้างกุศลถ้าว่าไม่ได้ถ้าพวกเราไปทามาค้าขายจะขาดทุนอย่างเนี้ยเออมันขาดทุนผล ป, นปีพวกเราก็คงจะไม่กล้าลงทุนนี้ก็เหมือนกันถ้าพวกเราจะทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลหรือจะสร้างคุณงามความดีตายแล้วศูนย์พวกเราก็คงจะเออไม่คิดทา แต่นี้พระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษาดูแล้วท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญเพราะฉะนั้นเราพวกเราท่านทั้งหลายอยากจะศึกษาหรืออยากจะรู้ด้วยตนเองพระพุทธเจ้าท่านก็บอกแนะพิธีการว่าควรทําอย่างไรที่จะรู้ได้ว่าสิ่งหรือว่าตายไม่สูญนั้นน่ะจะพิสูจน์ด้วยวิธีการอย่างไรอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ได้แนะแนววิธีการให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะนั้นขอให้พวกเรา ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติดูนะนั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญในเมื่อเรารู้แล้วว่าตายแล้วเกิดนี่แหละเราก็จะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีเราก็จะทําสิ่งนั้นแต่ถ้าว่าพวกเราคิดว่าตายแล้วสูญอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องตน้นพวกเราก็ไม่มั่นใจพวกเราก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกับ เรารู้ว่าทำมาค้าขายเนี่ยเจ๊งแน่เนี่ยทำมาค้าขายเนี่ยเจ๊งแน่เน่ไม่ได้กําไรแน่ขาดทุนทย่อยยับแน่พวกเราก็ไม่มีแก่จิตแก่ใจที่จะทํามาค้าขายอันนี้ก็เหมือนกันการที่จะสั่งสมคุณงามความดีการที่จะสร้างบุญสร้างกุศลพวกเราคิดว่าตายแล้วศูนย์พวกเราก็หมดกําลังใจที่จะสั่งสมคุณงามความดีไปเพื่ออะไรตายแล้วศูนแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นพระพระ เ, เจ้าที่ท่าน พุทธศาสนาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ต้นจนอวสานของพระธรรมพระพุทธองค์ยืนยันหรือทํานายหรือบอกกล่าวว่าตายและไม่สูญอยากจะพวกเราอยากจะรู้ก็ให้ประพฤติปฏิบัติตนให้ตามทํานองครองธรรมหรว่าตามธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเพระาะธรรมะของพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์บอกว่าปัดจัดตัง รู้เฉพาะตนถ้าผู้ใดใครก็ตามตปฏิบัติตามทำคำสั่งสอนแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองเหมือนกับเราทานอาหารอย่างนั้นน่ะคนอื่นทานก็คนอื่นอิ่มก็เเราก็ไม่รู้รสว่าการการอิ่มนั้นเป็นยังไงเผ็ดร้อนความเผ็ดนั้นเป็นยังไงเค็มเป็นยังไงเราก็ไม่รู้แต่เราทานเองเราจะรู้เองเราอิ่มเองเราก็จะรู้เองนี้ก็เหมือนกันทำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ท่านยืนยันอย่างนั้นผู้ปฏิบัติยอมผู้เองเห็นเองธรรมะปัจจตังเ <c oughs> พราะฉะนั้นเรายังปฏิบัติถึงขนาดนั้นอย่างไม่ได้เรายังทําจิตใจให้สงบเป็นหนึ่งยังไม่ได้เราพิสูจน์ด้วยตนเองยังไม่ได้ <c oughs> เหมือนกับเราเป็นเด็กอย่างนั้นแหละเราก็ต้องเชื่อผู้ใหญ่ไว้ก่อนนะตกเหว น, นะเดินไปนั้นตกเหวนะเดินไปนั้นงูนะเดินไปนั้นเป็นไฟนะเราก็ต้องเชื่อผู้ใหญ่ก่อนอันนี้ก็เหมือนกันพวกเรายังปฏิบัติไม่ได้ เรายัางพิสูจน์ไม่ได้เราก็เชื่อทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือเชื่อคำทำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้ก่อนออจนกว่าพวกเราจะได้พิสูจน์จริงหรือไม่จริงยะค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ขณะนี้พวกเราควรจะฟังแนวความหรือทำคําสอนของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติอย่างต้นตระกูลของพวกเรายุคนี้สมัยนี้ก็คือหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่น จากนั้นก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านอยู่ในป่าดงพงภัย อ, อยู่ในปา่าม่รู้กี่ปีต่วกี่ปีอย่างพวกเราได้ศึกษาในปฏิวัติในแนว ป, ประวัติของท่านท่านเอาจิงเอาจังอยู่ในป่าดงพงภัยเกือบว่าเอาชีวิตจะไม่รอดอพูดอย่างนั้นได้เพราะสมัยก่อนหยูกยาก็ไม่มีแล้วก็ไข้มาลางไข้มาลาเรียก็มากมาย สัตสาราสิงก็มากอยู่ในปานโรงพงไพ่ท่านก็ยังอดสาหรือว่าสู้ในในใจิตในใจของท่านสู้ไม่ให้กลัวเพื่อนสู้ในความกลัวจนท่านได้สาเร็จมรรคสาเร็จผล ท, ทําไมถึงพูดว่าอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระาธาตุอย่างพวกเราได้รู้ได้เห็นมีแต่พระอรหันต์เท่านั้น ที่กระดูกจะกลายเป็นพระาธาตุเพราะนั้นพวกเรามั่นใจว่าทำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายุคนั้นยุคสมัยพุทธกาลมาถึงยุคนี้ก็ยังทำคาสอนก็ยังคงเส้นคงวาถ้าพวกเราประพฤติปฏิบัติอยู่นะเพราะนั้นขอให้พวกลูกหลานทั้งหลายทุกๆคนนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีอย่างวันนี้เป็นวันพระอย่างนี้นะเป็นวันทาบุญอุทิศส่วนกุศล ถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายพวกเราจะรู้ได้อย่างไงว่าท่านตกทุกข์ได้ยากอยู่ณสถานที่ใดพวกเราไม่รู้เพราะเหตุไรเพราะเรายังไม่มีญานัทธสนะแต่ถ้าเราทําจิตให้สงบมีฌานนะมีบุญว่าชนาบารมีมีฌานจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าเออปู่ย่าตายา ย, ายหรือบุคคลคนนั้นตายแล้วไปเกิดที่ไหนอย่างนี้เป็นต้นนะพณในพระไตรปิฎกท่านยืนยนัน ม, มามากต่อมากอย่าง ถ้าว่าพวกเราได้ฟังได้อ่านได้ศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วพระพุทธเจ้าหรือพระอราหันตสาวกหรือพระธรรมคำสังสอนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกนะั้นท่านพูดเรื่องจิตวิญญาณคือกายกับใจกายกับใจกายกับใจทางนั้นออกายกับใจคือกายก็คื อ, คอร่างกายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยคือร่างกาย ส่วนจิตใจนะันคือนามธรรมานั้นอาศัยร่างกายอยู่อันนั้นนะ่ะที่หลักของหลักของพวกศาสนาหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราให้ความสนใจคือให้ความสนใจเรื่องจิตวิญญาณคือใจที่มาอาศัยกายนะั่นแหะดวงนั้นละ่ะถ้าออกจากร่างนี้แล้วถว่าใจของเราหรือว่ากายของเราเทำกล้ำชั่วบางทีพวกเราเกิดมาในโลก ไม่ใช่จะจะทําแต่กรรมดีอย่างเดียวทํากรรมชั่วก็มีเพราะฉะนั้นขณะที่ทํากรรมชั่วนะะั่นแหะกรรมชั่วจะให้ผลเอแต่ในครั้งพุทธกาลพระพุทธในครั้งพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลนะั้นก็บอกว่าคนทํากรรมดีและทลํากรรมชั่วอคนเกิดมาทําทั้งกรรมดีทําทั้งกรรมชั่วนะแต่เวลาจะตาย เวลาจะใจขาดที่เวลาจะมรณะภาพและลึกถึงกรรมชั่วของตนเองเอคนนั้นก็นั่นแหะจะต้องไปสวยความทุกข์ซะก่อนไปสวยความชั่วซะก่อนอจนกว่าหมดกรรมชั่วนั้นกรรมดีจึงเข้าตามสนองหรือว่าให้ผลแต่ถ้าว่าผู้ใดทำกรรมชั่วจริงอยู่แต่เวลาจะตายนะ่ยพยายามตั้งหลักใหม่พยายามคิดแต่คุณถึงแต่คุณงามความดี คิดแต่ถึงบุญกุศลพอใจเขาขาดหรือว่าเขาลวงรับดับขันไปเขาก็ไปสู่สุขติเพราะว่าใจของเขาเป็นกุศลในขณะนั้นเพราะนั้นท่านจึงคนโบ ร, โบราณเขาจึงแนะนําว่าเวลาจะใจขาดหรือว่าเวลาจะจิตจิตใจจะออกจากร่างให้ระ ล, ลึกถึงขุนงามความดีไว้เนาะอันนี้ก็คือการแนะนําสั่งสอนในหลักของพุทธศาสนาก็อย่างที่ เพราะพระพเจ้าได้ตัดจรู้ใหม่มาอยู่ที่วัดป่าเวลุวันกัลันดบุตต ะ, ะคือกรุงราชกรุงราชสักคของพระเจ้าพิมพิสารอันนี้คื อ, คอท่านยกมาในพระไตรปิฎกถ้าว่าท่านจะเขียนทุกกระเบียรหรือว่าเขียนทุกเรื่องราวพระไตรปิฎกก็คงจะมีแต่เรื่องนี้อย่างเดียวแต่ขนาดนี้ก็เถอะก็ยังมีมากถ้าพวกเราได้อ่านได้ศึกษาเรื่องเปร เอ่ยอย่างเปรตเรวัตเทวดาอย่างนี้เอ่ยทำไมจึงว่าวิญญาณทําบุญส่วนกุศลให้แก่เปตะยาติคําว่าเปตะยาติคํานี้แนหะไม่ใช่ว่าท่านจะเป็นเปรตทุกทุกตัวที่ตายไปไม่ใช่ใคล้ายๆับว่ามนุษย์เนี่ยคืออะไรเรามองเห็นมนุษย์คือเห็นเนี่ยอย่างพวกเราก็รู้กันมนุษย์คืออะไรพูดว่ามนุษย์นะเรารู้ได้แล้วสัตว์ช้างม้าวัวควาย เป็นลักษณะอย่างไรเรานรู้ว่าเออสร้างมาวัวควายเออทวดาเป็นยังไงท่านก็มีความสุขในระดับเทวดาแต่นี้เปรตนี่คล้ายๆก็บอกพอคนเราตายไปเนี่ยจิตวิญญาณออกจากร่างเนี่ยจะเป็นเปรตแต่ยังไม่ได้ไปที่ไหนนะเออเป็นยังเป็นเปรตยังเรื่อนรอยอยู่ยังไม่ไปที่ไหนถ้าว่าท่านไปเป็นเทวดาอย่างนี้ก็แต่ละท่านสวยเป็นเทวดาเออถ้าวอาไปเกิดเป็นสัตว์ที่ฉน ก็ไปเป็นเกิดเป็นสัตว์เทวิชานถ้าตายพุ๊บไปไปเกิดไปเท่าเข้าท้องมนุษย์ก็จะไปเกิดเป็นคนแต่ขณะที่ตายไปแล้วเนี่ยยังไม่ได้ไปที่ไหนยังยังรออยู่อย่างนี้อันนี้แปลว่า เ, เปตเปตพวกเปตคือว่าเปรตวิญญาณอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณเหล่านั้นแต่พวกเราไม่มั่นใจว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายและวงศ์สกานายาหรือว่า ญาติโกโหติกาของเราในอดีตชาติจะได้รับทุกขอยากลําบากอย่างไรพอญาติของเราก็มีเยอะเบ้อเยอะเหลือเกินอย่างในชาตินี้ก็นนะอย่างชาตินี้เราก็มีพ่อมีแม่มีวงศสาคณาญาติแต่ชาติที่แล้วก็มีชาติก่อนๆก็มีนะอย่างที่ท่านยกเปรียบเทียบในครั้งพุทธการที่ว่าเปรตพระเจ้าพิมพิสานอย่างเนี้ยพระเจ้าพิมพิสารท่านก็เป็นขุนคลัง ของพระเจ้าแผ่นดินให้เข้าเป็นเป็นผู้ดูแลเงินคําทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินมอบหมายให้เป็นผู้รักษาเงินท้องพักคลังอย่างนั้นอ่ะท่านรักษาอย่างดีเป็นคนซื่อสัตว์สุดจิริต เ, เวลาเบิกจ่ายยังไงละเอียดถี่ถ้วนทุกประการแต่ว่าไอ้พวกที่บริวารบริวาพรพอเบิกเงินออกไปแล้วเนี่ยใช้เงินผิดประเภททีนี้ ทั้งที่จะถวายพระพุทธเจ้าทั้งที่จะถวายอาหารพระสงฆ์ซะก่อนเมื่อถวายอาหารพระสงฆ์ถวายพระพุทธเจ้าแล้วส่วนเศษเหลือไอ้พวกเรายาังค่อยมาอยู่มากินอันนั้นคืออีกส่วนหนึ่งแต่นี้พวกท่านเหล่านั้นกินก่อนพระพุทธเจ้าวันนั้นแต่ทานอาหารก่อนพระพุทธเจ้าทานอาหารก่อนพระอรหันตสาวกที่พระเจ้าพิมพ์พิสารเป็นขุนคลังเบิกเงินออกมาเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารตอนนั้นก็เลยเป็นบาปกลำ่ำ บาปกรรมในอดีตชาติจากนั้นพอตายไปแล้วพระเจ้าพิมพ์ิสารท่านก็ไม่ได้รับด้วยล่ะเพราะว่าท่านเป็นคนซื่อสัตย์มือสะอาดนะท่านก็ไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมไปเรื่อยของท่านละ่ะแต่พวกนั้นพวกที่ทํากรรมนั่นแนหะพอตายออกจากชาตินั้นไปตกนรกท่านะออกจากนรกตกนรกมาเป็นเปรตที่หิวโหวยเลยโอ้หลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนชาติเหมือนกันไอ้หลายหมื่นปีหลายแสนปีเหมือนกันเหมือนกัน่ะ จนมาถึงพระพุทธเจ้าโคตมะของเราเปรตเหล่านั้นก็พระเจ้าพิมพิสารก็มาเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินกรุงราชสกุลพระพุทธเจ้าก็ได้จัดชร้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้มาโปรดพระเจ้าพิมพิสารถึงกรุงราชสกุลจากนั้นก็พระเจ้าพิมพิสารเปรตเหล่านั้นก็เห็นว่าข่าวนี่แหละคราวจะได้พ้นจากเปรตละ เพราะว่าใช้กรรมมานานแล้วจากนั้นก็มาแสดงตนให้ปรากฏในคืนวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารกําลังนอนอยู่ในเวียงวังว่าไงเถอเสียงอิลุงโคมคํามาลงตุงนั่งพระเจ้าพิมพิสารก็มองเห็นเห็นบางไม่เห็นบางปุ๊ปุ๊บไม่ไหมว่าไงเถอะเหมือนผีแสดงเรื่องให้เห็นนั่นแหละจากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ตกใจนอนไม่หลับทั้งคืนว่าไงเนอะพอพรุ่งนี้เช้าก็มากราบพระพุทธเจ้า แต่เช้าพระองค์บอกว่ามหาพรพิษเป็นยังไงบอกโอ้ข้าพระองค์นอนไม่หลับเมื่อคืนพระเจ้าข่าเป็นไรไม่รู้อะไรเสียงอิลุงตุงนังปลึงคึงคางไปหมดในในเวียงในวังมพระพุทธองค์บอกว่าเนี่แหละเป็นญาติของพระองค์เองเขามาต้องเขาต้องการบุญกุศลจากพระองค์ให้พระองค์ทําบุญอุทิศวนกุศลให้เขาเถอะน้าแต่นี้ก็พระเจ้าพิสารกัเหลนิมนต์พระสงฆ์พร้อมกับพระพุทธเจ้า ไปทําบุญนะอุทิศสวนกุศลให้แก่เปตะญาติทั้งหลายก่อนนั้นน่ะพระเจ้าพิมพ์พิสารน่ะถวายวัดป่าเวลุวันถวายวัดปา่าเพราะงั้นแต่วัดสวนอุทยานเหมือนกับถวายสวนลุมให้แก่เพระพุทธเจ้าอย่างนั้นแหละ ใ, หใครก็ว่าเป็นสวนหลวงแต่เป็นหน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ถวายพอถวายแล้วก็ไม่ได้อุทิศสวนกุศลให้แก่ใครทั้งหมดนะถวายแล้วกระจบเพราะงั้นนี่แหละ ที่แรกเปรตเหล่านั้นเปรตของพระเจ้าพิมพ์ิสารเหล่านั้นก็คิดว่าเมื่อพระเจ้าพิมพ์ิสารทําบุญท่านคงจะทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เรานะแต่นี่องค์เลยไม่น้อมไม่ลําลึกถึงใครเลยเหาือนกันเถอะทำบุญเสร็จแล้วก็ซาดูแล้วก็จบนะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะนเวลาไปทําบุญณนะสถานที่ใดเมื่อทําบุญเสร็จแล้วก็ให้น้อมจิตลําลึกถึงเออพระเจ้าได้ทําบุญในวันนี้ ดวงวิญญาณพ่อแม่ปู่ย่าตายายเหลียวญาติผู้ใดก็ตามตกทุกข์ได้ยากที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าในวันนี้ข้าพเจ้ายินดีอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณด้วยเทญนให้น้อมจิตล้ำลึกอย่างนั้นทุกครั้งนะอันนี้พระเจ้าพิมพิสารท่านไมน่ได้ล้ำลึกถึงใครเพราะงั้นพอทําบุญนะั้นก็จบนะจากนั้นท่านก็พอตึกตกตอนเย็นมาเนะี่ยพวกเปรตทั้งหลายที่เป็นญาติของพระ อ, องค์ แสดงตนให้ปรากฏขึ้นมาพระองค์ก็ตกใจจากนั้นมากราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ชี้แจงให้ฟังนะอบอกกล่าวให้ฟังพระเจ้าพิมพิสารก็ตั้งตั้งต้นใหม่เถนี่ก็ เ, เลยทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณเอพอตอนเชคคืนนั้นอีกเถอะนี่อวิญญาณเหล่านั้นยังมาแสดงตนให้ปรากฏอยู่แต่อ้วนท้วนสมบูรณ์ตะกอนผอมกโกรกว่างั้นเถอะเออ ผอมมีแต่แข้งมีแต่ขาตัวผอมเพราะเปรตมันหิวอาหารนะมาหลายชั่วอายุคนนะเออพอได้บ่ได้บุญกุศลทท่นี่อ้วนท้วนสมบูรณ์พอเป็นของทิพย์ขึ้นมาแล้วแต่นี่แต่ยังไม่มีเสื้อผ้าแสดงตนให้ปรากฏอีกพระเจ้าพิมพิสารก็มากราบรวมพุทธเจ้าตรองค์บอกว่าเมื่อวานได้ถวายแต่อาหารเพราะนั้น ต่อมากับพระเจ้าพิมพิสารก็เลยถวายเป็นผ้าตาอีกทีนี่อุทิศสวนกุศลอีกอ่าเปรตเหล่านั้นก็ได้รับอพอได้รับเนี่ก็อุทิศสวนกุศลให้เปรตเหล่านั้นก็ไปตามคติที่ตัวเองต้องการจะไปแหละทีนี่เพราะในต่ก่อนไม่มีเงินพูดอย่างง่ายๆว่าเราไม่มีเงินเอแต่นี้พอจากนั้นพระเจ้าอจะพิมพ์ิสารไปทําบุญแแจกเงินให้่าง แจกเงินให้แก่ดวงวิญญาณคือเปรตเหล่านั้นพอเปรตเหล่านั้นได้เงินแล้นีน่ต่างคนก็ต่างไปของใครของเราเลยแสดพราะหมดกรรมเลยออกจากคุกแล้วว่างั้นแต่พอติดคุกตัวเองทํากรรมชั่วไว้แล้วออกจากกรรมชั่วนั้นได้แล้วบุญกุศลก็มีแล้วก็ไปหาเกิดไปสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปนี่แหละในหลักของพุทธศาสนาท่านบอกกล่าวท่านยืนยันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนหน้า บาปปุลคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงถ้าว่าเราทำกรรมไม่ดีกรรมไม่ดีจะตามสนองเราไม่ว่าพบนิชาตินี้ไปว่าชาติไหนๆละว่างั้นถ้าเราทำกรรมไม่ดีไว้กรรมไม่ดีนั่นจะตามสนองเพราะฉนั้นพระพุทธศาสนาท่านจึงแนะนําหรือว่าบอกกล่าวให้พวกเราทั้งหลายให้สั่งสมแต่คุณงามความดีให้สั่งสมแต่บุญกุศลเน้อตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอน นรกสวรรค์มีจริงแต่พวกเราอยากจะรู้ให้ตั้งใจภาวนาทําจิตใจให้สงบแลเมื่อจิตใจสงบเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจนั้นเป็นอย่างไรแยกกันเห็นได้ชัดในความรู้สึกของตอนเองเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราสั่งสมบุญกุศลสั่งสมกุศลอย่างวันนี้พวกเราก็ได้เบื้องแรกก็ได้ทําบุญทําทาน ต่อมาก็ได้สมาทานศีลต่อไปก็ได้ได้ฟังที่หลวงพ่อได้กล่าวแนะนำให้ฟังนี่แหละพวกเราต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังฟังครั้งนั้นบ้างฟังครั้งนี้บ้างฟังแล้วไม่เชื่อทีเดียวนะฟังแล้วให้นําไปคิดนําไปคิดนาไปพิจารณานําไปไตรตรองแล้วก็ลงมือปฏิบัติ ด, ดูด้วยว่าเมื่อได้ฟังมาเนี่ยเมื่อปฏิบัติ ด, ดูแล้วได้ผลอย่างไรนี่แหละ จึงค่อยเชื่อนะถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลเรามเมื่อเราปฏิบัติไม่ได้ผลเราทำเย่ย่อใหญ่ใหหรือเปล่าเราทําไม่จริงจังหรือเปล่าอย่างเนี้ก็ขอให้พวกเราทําให้จริงจังเมื่อทําจริงจังเราจะรู้เห็นด้วยตนเองการทําจิตใจให้สงบอย่างนี้ยเราทําที่ไหนก็ได้เราทําที่บ้านก็ได้แต่ถ้าว่าเราทําแต่ที่บ้านอย่างเดียว แต่โดยมากก็ไม่เชื่อมั่นในตัวเองเหมือนกันนะเพราะกิเลสในบ้านมันมีเยอะเดี๋ยวความโหลดความโกรธความหลงได้ก็เห็นลูกเห็นล้านเห็นวงสา ข, ขนาดญาติโกโหติกาสิ่งไหนมันมารุมมันตุ้งเข้ามาผลให้สูก่กับกิเลสรัดพันเอาไปหมดเหมือนกันเถอะเพราะนั้นเราจะได้ออกมาเป็นบางครั้งบางคราวเมาสู่วัดวาศาสนามาหาครูบาอาจารย์ได้ยอาศัยการได้ยินได้ฟังจากนั้นก็ได้รวมกลุ่มได้หนังสมาธิได้ภาวนาได้ปฏิบัติ ออกเป็นบางครั้ง เ, เหมือนกับเรามาชาร์จแบตเตอรี่อย่างนั้นแหละ อ, ออกมาสู่วัดวาศาสนาจากนั้นก็เข้าไปสู่บ้านสู่เรือนของพวกเราก็เข้าไปสู่ในควันมืดของกิเลสราคะโทสะโมหะสุดแท้แต่มันจะมืดขนาดไหนบางทาง้งเราก็ออกมา อ, ออกมาแล้วบางครั้งก็ยังมาลง ม, มาตุ่มมาอยู่ในที่วัดวาศาสนาก็ยังมีอีกกว่างั้นแหะ เนะพราะนันกิเลสกิเลสไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะที่จะตัดมันได้ไม่ใช่ธรรมดาที่จะตัดกิเลสได้นะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านใจเพชรใจหินจริงๆเว้ยงั้นเลยเที่จะท่านจะตัดกิเลสเพราะฉนั้นพวกเราให้ศึกษาศึกษาแนวทางของพระพุทธศาสนาแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ถึงยังไงหลวงพ่อย้ำแล้วย้ำอีกว่า ให้ทําคุณงามความดีหน้ะตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกให้พวกเราฝึกและให้พวกเราศึกษาและให้พวกเราปฏิบัติดูมรรคผลนิพพานมีจริงมรรคผลนิพพานยังคงเส้นคงวาถ้ า, าพวกเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วเพราะว่าธรรมะทำคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับห้างสรรพสินค้า มันมีหลายระดับเพราะงั้นจะมันมีหลายระดับถ้าคนไม่มีเงินแห่งคนได้ระดับหนึ่งถ้าคนมีเงินขึ้นมาก็ระดับหนึ่งถ้าเป็นเศรษฐีเพชรนินกินดาราคามากมายนะ เ, เราก็พร้อมที่จะซื้อได้นี้ก็เหมือนกันพวกเราถ้าเป็นครวัตญาตโยมภาระธุระอย่างมากพวกเราควรรักษาศีลห้ารักษาศีลอุโบสถ เ, เป็นบางครั้งแต่รักษาศีลห้าหลวงพ่ออยากจะให้ รักษาสินห้าเนะี่ยเป็นพื้นฐานเพราะเหตุใดพาะผู้สูงอายุผูอ้อายุมากพอสมควรแล้วก็ถ้าว่าเป็นผู้มีอายุอย่างน้อยอยู่ยังทําหน้าที่การงานอยู่อันนั้นก็ยังในระดับหนึ่งแต่พอกลางคนขึ้นไปแล้วหลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราอย่าหมกมุ่นจนเกินไปควรจะถอยถ อ, ยออกมาบ้างแล้วก็ควรจะสมาทานสินบ้างเป็นบางครั้ง ต่อไปก็เออจนรักษาศีลห้าหาหนทางให้แก่ตนเองเพราะศีลห้าของผู้ใดเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าปิดอบายยภูมินะถ้ารักษาศีลดีแล้วจะไม่ตกนรกเพราะผู้ธเจ้าท่านแนะนำและท่านยืนยันอย่างนั้นถ้าเรามาพิจารณาดูแล้วก็เป็นอย่างที่พระพุทธองค์ได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกกล่าวประวัติทางผู้ใดมีศีลห้าประจํากายวายจาแล้ว ผู้นั้นจะไปตกไม่ตกต่ำแต่ อ, อยู่ในมนุษย์โลกเป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดนอกลูกนอกทางต่อสามีภรรยาคนอื่นเข า, าแล้วก็ไม่โกหกแล้วก็ไม่ดื่มสุราเพียงแค่นี้แหละแต่ว่าแค่นี้แหละแต่ว่ามันก็ยากเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าว่าพวกเรามีความพยายามมีความตั้งใจอยู่มันก็ไม่เหลือวิสัยอีกเหมือนกันนั่นแหละ แต่ถ้าว่าพวกเราเท้อแท้อ่อนแอเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างไปยังว่านะกิีเลศมันก็ดึงลากลงไปอีกเหมือนกันแต่ถ้าว่าเรามีความจริงจังและจริงใจเชื่อในทำคำส่องสอนเชื่อในคุณงามความดีนั่นแหละเราก็เอาชนะกิเลสฝ่ายต่ําได้แต่ถ้าเราเอ่ อ, อนแ อ, อไม่เชื่อมั่นกิเลศฝ่ายต่ําก็ดึงลากลงไปสู่ฝ่ายต่ำเลย เอ้ผอยนั้นพวกเราทุกๆคนนะในวันนี้เป็นวันสําคัญอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเป็นวันข้าวประดับดินและก็วันเพนหน้านะวันเพนหน้านะี่เป็นบุญทําบุญข้าวฉลากคนะฉลากกระพัดคื อ, คอในพรรษานะี่มีมีงานสองงานนี่แหละพระที่จำพรรษาแนตะ่ทางอีสานเหนือของพวกเรามีสองวันเนะี่ยวันข้าวประดับดินกับวันทําบุญข้าวฉลากฉลากกพัดเดือน10เพนเนี่ยนะขอ บอกกล่าวให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายถือว่าเป็นวันทำบุญใญเพจน์ยาได้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยวันสองวันเนี่ยเข้าประดับดินและก็เข้าฉลากยอย่างน้อยต้องมีศีลห้าตลอดอทั้งวันทั้งคืนถ้ามากกว่านั้นก็ควรจะมีอุโบสถศีลหลวงพ่อว่าปีหนึ่งพวกเราควรจะมีเป็นวันสำคัญวันมาฆะบูชาวันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษาวันออกพรรษาวันบุญเข้าฉากวันบุญประดับดินและก็วันเกิดของเราควรจะมีศีลธรรมควรจะมีศีลท่าหรือว่ามีศีลอุโบสถเดี๋อวควรจะสั่งสมคุณงามความดีให้อยู่ในความสงบวันนั้นให้สำรวจตรวจตราดูกายวาจาใจของเราถ้าเป็นไปได้นะไม่ใช่ว่าวันไหนกวันเก่าวันไหนกวันเก่าหาความสาคัญไม่ได้ คนทั้งคนเราทั้งเราตัวของเราเกิดมาทั้งชีวิตหาความสำคัญไม่ได้เลยในชีวิตของเราอันนั้นจะชักจะเกินไปหลวงพ่อว่านะเพราะนั้นขอให้พวกเราตรวจตราดูตนเองตรวจตราดูตนเองสิ่งไหนมันหนักทางไหนมันเกินไปยังไงเราเพียงพอหรือยังคุณงามความดีเราได้สั่งสมคุณงามความดีเป็นที่อุ่นใจหรือยังถ้าเราไม่อุ่นใจ คุณงามความดีเรายังไม่อุ่นใจนะ เ, เราก็ควรจะตะเกียกตะกายเาพราะว่าชีวิตของพวกเรามันไม่อยู่นานนะท่านจะว่าไปเพียงหายใจไม่เข้าหายใจไม่ออกเท่านั้นแหละก็จบแล้วชีวิตของเราทั้งชีวิตนะอันนี้หลวงพ่อไม่ใช่ขู่นะพูดอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ว่าท่านว่าเราไม่ว่าหลวงพอ่อก็เป็นด้วยกันทั้งนั้นพูดทั้งนี้ทั้งนั้นคือเป็นการ oo, กลือกล่าวเตือนกันเท่านั้นเอง พวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทเนอเตือนทั้งหลวงพ่ออินเนอหลวงพ่ออินเนอร์จะตั้งอยู่ในความประมาทเนอหายใจไม่เข้าหายใจไม่ออกเท่านั้นแหละชีวิตทั้งชีวิตแปลว่าจบเพียงแค่นั้นฮะแต่เมื่อจบไปแล้วคุณงามความดีได้ทําอะไรไว้บ้างเป็นที่อุ่นใจหรือยังแต่นั่นแต่นีพวกเราควรจะทบทวนหรือพิจารณาดูตนเองไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองนะ เป็นที่อุ่นใจหรือไม่อุ่นใจนะต่อนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรพวกเราน้อมจิตอุทิศส่วนกุศลอย่างที่หลวงพ่อได้แนะนำไ ด, ได้กล่าวให้ฟังนน้าจะกรวดน้ำก็ได้นะจะเอาน้ำใจกวดก็ได้ได้ทั้งสองอย่างนั่นแะนะ